ในนามของวัดป่ามหาวันก็สอนนมมตนาพนักงานธนาคารศรีโดยการนำของศุภเ ช, ธ ร, ร, ภช ร, ร, รธรรมพิภาและคุณกองเยาวาชิรัตรรองผู้อำนวยการธนาคารศร์ซึ่งมาร่วมบาเพ็ญบุญและบำเพ็ญประโยชน์ที่วัดป่ามหาวันรวมทั้งกับชาว บ, บ้าน แล้วก็นักเรียนโรงเรียนบ้านตาดินทองทั้งนี้โดยความรบเนื่องในเหตุการณ์เป็นมงคลของพวกเราชาวไทยนั่นคือเหตุการณ์การคองราชสมบัติครบ70ปีของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งพวกเราที่เป็นประสงค์นิกรรวนถือว่าเป็นเหตุการณ์ มงคลตามประเพณีของเราชาวไทยและชาวพุทธเมื่อมีเหตุการณ์หรือวันมันเป็นมงคลทั้งส่วนตัวก็ดีหรือว่าของส่วนรวมที่นับถือกันเป็นประเพณีก็ดี เ, เช่นวันสงการวันตรีใหม่วันเกิดวันขึ้นบ้านใหม่เป็นต้น เราก็จะนิยมทำความดีกันอันนี้อาจจะต่างจากทมเนียมฝรัง่งฝรั่งเนี่ยถ้าเกิดเป็นวันอย่างนี้เนี่ยวันเกิดก็ดีวันปีใหม่ก็ดีนะก็จะเที่ยวกันนะคนที่เป็นเจ้าของวันเกิดก็รอรับของขวัญ น, นะคือเป็นผู้รับแต่ว่าของไทยเราเนี่ยนะถ้าวันไหนเป็นวันดีวันมงคล เราก็จะนิยมทำสิ่งดีๆนะจะไม่รอเป็นผู้รักแต่จะเป็นผู้ให้เช่นใส่บาทนะถวายสังฆทานนะอย่างพวกเราวันนี้ก็เช่นเดียวกันนะเมื่อในการอันเป็นมงคลได้มาถึงเราก็ทำความดีกันทั้งความดีอันได้แก่การ ถวายผ้าป่าถวายทังกะทานรวมทั้งการปลูกป่าเพื่อเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมเป็นประโยชน์ต่อโลกอันนี้เนี่ยมันเป็นการบูชาคนดีบูชาบุคคลที่ควรบูชาอย่างแท้จริงก็คือว่าเราบูชาด้วยความดีนอกเหนือจากการบูชาด้วยอามิด การบูชาการสรรเสริญคนดีหรือการปารบแต่การดีๆก็ตามเนี่ยเราไม่เพียงแต่เป็นผู้รับใช้โอกาสนี้ในการเที่ยวเฉลิมฉลองหรือว่าปฏิบัติต่อผู้ที่เราเคารพนับถือด้วยอายมิสบูชา อามิสบูชาคือการบูชาด้วยดอกไม้นะทุบเทียนนะแต่ว่าเรายังทำความดีด้วยปฏิบัติบูชาอย่างพวกเรานี้เนี่ยมาทำความดีมาปลูกป่ากันนี่ก็ถือว่าเป็นการบูชาอย่างหนึ่งนะแทนที่เราใช้คำว่าเทิดไทองราชนเนี่ยแทนที่เราจะเทิดไทด้วยการติดป้ายการติดธง หรือว่าการมีพุ่มดอกไม้ซึ่งอันนั้นเรียกว่าเป็นอาวิสบูชาเราก็มาทำความดีกันนะอันนี้แหละเรียกว่าปฏิบัติบูบชานะถ้าเป็นการบูชาผู้เจ้าก็อาจจะปฏิบัติ ด, ด้วยการให้ทานรักษาศีลการบำเพ็ญภาวนาแต่ถ้าเป็นภูชนิยบุคคลเป็นผู้ที่เราเครพนับถือหรือแม้กระทั่งเป็นบุปการีนะ นอกจากการทำความดีกับท่านหรือให้ท่านด้วยสิ่งของนะเราก็มาทำความดีด้วยน้ำพัดน้าแรงของเรานะการทำความดีด้วยน้ำพัดน้าแรงเนี่ยเราเรียกว่าปฏิบัติบูบชานะซึ่งก็จะให้ผลเกิดอนิสง์ยิ่งกว่าอานิสบูชาตอนนี้การทำความดีของเราในวันนี้เนี่ยนะ ทางธนาคารอสังก์ก็จาะจงมาที่วัดป่ามหาวันนะซึ่งที่จริงก็เป็นวัดเล็กๆนะไม่ได้มีชื่อเสียงอะไรนะแต่ความสําคัญก็อยู่ที่ว่าวัดนี้เนี่ยนะดูแรลรักษาป่าป่านี้ก็เรียกว่าผูหลงผนะู้หลงเนี่ยอาจจะไม่มีชื่อเสียงเด่นดังนะในสําหรับผู้นิยมการท่องเที่ยวนะ แล้วก็มีความสำคัญต่อผู้คนบนหลังเขาตลอดทั้งแนวตลอดทั้งเทือกเขาเลยนะที่เรียกว่าปูแลงคาหรือภูโคง้งเพราะว่าเป็นต้นน้ำแล้วไม่ใช่ต้นน้ำธรรมดานะเป็นต้นน้ำชั้นหนึ่งเออันนี้เป็นการกำหนดของทางกรมป่าไม้ไม่ใช่ต้นน้ำชั้นหนึ่งเฉยๆนะชั้นหนึ่งเอด้วย เพราะว่าเป็นต้นนางของลําปะทาวลาปะทาวเนี่ยก็เป็นลําพุวยที่มีความสําคัญต่อผู้คนบนหลังเขาผูโค้งผูแรงคาแล้วก็มีความสําคัญยาวไปถึงจังหวัดชัยภูมิเพราะว่าน้ําุ่ยน้าลำน้ําที่ไหลผ่านจังหวัดชัยภูมิไปลงแม่น้ําชีเนี่ยก็คือลําปะทาวน้ําตกตากตอนที่มีชื่อเสียงนะก็เพราะว่าลํปาปะทาวนี่แหละนะ ถ้าหากว่าลำบากทาแห้งเหือด น, นะคนก็จะเดือดร้อนกันมากนะอุทยานตากโจนก็คงไม่มีใครไปเที่ยวส่วนชาวบ้านทั้งที่อยู่ตามลําน้ําทั้งเหนือน้ํากลางน้ําปลายน้ำโดยเฉพาะคนในเมืมองชัยภูก็คงจะเดือดร้อนะอันนี้เรียกว่าเป็นลําำบากทาจึงมีความสําคัญและที่สําคัญได้ก็เพราะมีปูหลงนะ ที่จริงต้นน้ำลำากาท้าก็มีหลายภูนะ่แต่ภูหลงเป็นต้นน้ำสำคัญอันนี้ภูหลงเนี่ยนะจริงๆเนี่ยก็มีความอดมสมบูรณ์มาโดยตลอดนะเมื่อชาวบ้านเนี่ยมาตั้งรกรากบนหลังเขาเนะชาวบ้านก็อนุรักษ์ภูหลงเอาไว้ส่วนภูหลงอื่นนั่นเนี่ยก็ ก็ปล่อให้เป็นไปตามสภาพที่จริงก่อนที่ชาวบ้านจะขึ้นมาเนี่ยมันก็มีการทําไม้มาก่อนแล้วเมื่อประมาณเกือบ50ปีที่แล้วเราคงทราบดีอยู่แล้วว่าเมื่อสมัยก่อนเนี่ยเบองไทยเราเนี่ยไม้เป็นสินค้าออกที่สําคัญนะเพราะฉะนั้นการทําไม้เนี่ยนะก็จึงเป็นกิจกรรมนะที่ทํากันอย่างทั่วประเทศภาคอีสานก็มีการทําไม้นะ ท่ทุกจังหวัดป่าทุกป่าผู้คง้งผู้ล้นค้านี่ก็มีการทำไม้กันอย่างเรียก อ, อย่างเต็มที่นะเพราะฉะนั้นเนี่ยป่าที่เคยอุดมสมบูรณ์ก็เสื่อมสภาพไปแต่ผู้หลงนี่พิเศษก็ตรงที่ว่าแคล้วคลาดนะจากการทำไม้นะอาจจะเป็นเพราะว่าหมดเวลาสัมปทานหรือบางทีชาวบ้านก็เชื่อว่า คนที่มาทำไม้นี่มองไม่เห็ น, นเรียกว่าหลงหูหลงตานะก็เลยรอดไปเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อมีการทำเมื่อเมื่อหมดสัมปทานการทำไม้เสร็จสิ้นเนี่ยประมาณ254เนี่ยภูหลวงก็ยังมีความสมบูรณ์เรียกว่าเป็นป่าบริสุทธิ์ขณะที่ภูหลุกอื่นเนี่ยก็ถูกทำลายไปเยอ ะ, ะและยิ่งพอมีชาวบ้านขึ้นมานก็มีการหักร่างถังพงทำไร่มันไร่ อ, อ้อยก็เลยนะ แปลสภาพไปแต่ยังมีภูหลงที่ยังเป็นภูที่จะเรียกว่าอุดมสมบูรณ์ที่สุดนะบนหลังเขาอันนี้ไม่นับต่าตนนะไม่นับต่าตนเพราะต่าตนอุทยานอุทยานนี่ก็ธรรมดาอยู่แล้วนะก็ย่อมจะมีความมีป่าดมสมบูรณ์แต่ถ้าไม่นับอุทยานตัดตนแล้วเนี่ยนะพื้นที่บนหลังเขาเนี่ยนะไม่มีที่ไหนจะมีป่าทึบ แล้วก็มีสิงสารสัตว์มีความหลากหลายทางชีวภาพมากเท่ากับผูหลงนอกหนจากการเป็นพ้นน้ชั้นหนึ่งเองแต่ว่าในช่วง20ปีที่ผ่านมานะป่าผูหลงก็ได้รับผลกระทบนะจากเหตุปัจจัต่าง ม, มากมายเช่นบางครั้งก็มีคนมาตัดไม้บางครั้งก็มีคนมาบุกรุกเอาพื้นที่ป่า ไปทำเป็นไล่มันนะซึ่งภายหลังเนี่ยก็สามารถแก้ปัญหานี้ได้เกิดจะสิ้นเชิงการตัดไม้ยังมีบ้างแต่น้อยส่วนใหญ่ก็มาเอาไม้พยุงเป็นหลักนะไม่ใช่มาตัดไม้เอาเนื้อไม้ไปทำอะไรนะเอาไม้พยุงซึ่งส่วนใหญ่ก็เป็นต้นเล็กๆนะเพราะต้นใหญ่ๆก็ไม่เหลือแล้วนะถูกไฟไหม้ก็มากแต่ที่เป็นมหาสาคัญคือไฟนะไฟเราเรียกว่าไฟป่า แต่ที่จริงก็เป็นไฟที่เกิดจากคนนั่นแหละนะมนุษย์เราอาจจะเกิดจากไฟที่ชาวบ้านจุดเพื่ อ, เ, อเคลียร์พื้นที่ก่อนจะปลูกมันนะชาวบ้านก็ทําความสะอาดนะก็ใช้วิไฟเนี่ยเผาเพื่อให้พื้นที่สะดวกการทํามันหรือว่าอ้อยพื้นที่ข้างเคียงเนี่ยที่จุดมันก็ลามไฟก็ลามเข้ามาในวัด บางทีชาวบ้านมาล่าสัตว์ที่นี่เป็นที่หลบภัยของหมูป่าหมูป่าจานวนมากก็ไม่มีที่อยู่ก็มาหลบภัยอยู่ในผู้หลงนะคนที่อยากล่าหมูป่าก็มุ่งหน้ามาที่ผู้หลงนะแล้วก็ก็มีวิธีการล่าสัตว์หลายแบบวางเร้าบ้างหรือว่าใช้ปืนยิงบ้างนะ และก็มีบางกลุ่มที่ใช้วิธี ง, ง่ายๆคือว่าจุดไฟจุดไฟเผาหญ้าเพื่อไล่หมูป่าให้ตรงมาอย่างที่ตัวเองซุ่มยิงนะอันนี้ก็เกิดขึ้นมาโดยตลอดจนกระทั่งเมื่อปี47เนี่ยชาวบ้านกับทังวัก็มีโครงการอนุรักษ์ป่าอย่างจริงจังนะมีชาวบ้านมาลาดตะเวน มีการทำแนวกันไฟนะมีการตรวจตราคนที่มารักตัดไม้มาล่าสัตว์นะที่ทำเช่นนี้ก็เพราะมันมีไฟไหม้ใหญ่นะก็ป่าก็ถูกทำลายไปเยอะนะแต่นับตปี47มาการรักษาป่าก็ทำได้ดีพอสมควรการรักลอบตัดไม้มีน้อยลง ไฟที่เข้ามาลุกลามในป่าก็น้อยลงแล้วก็สามารถที่จะดับได้ทันเวลาเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จึงไม่มีความเสียหายเกิดขึ้นมากนอกจากนั้นก็ยังมีการปลูกป่าความตอเนื่องกันมาตั้งแต่ปี 4-7 มีหลายหน่วยงานและองค์กรมาปลูกป่าจนกระทั่งเต็มพื้นที่เท่าที่เราจะ เท่าที่เราจะจัดหาพื้นที่มาปลูกป่าได้ก็เรียกว่าเต็มตั้งแต่เมื่อปี58นะจนกระทั่งมีปัญหาว่าเราจะปลูกที่ไหนต่อแต่ว่าเมษาปีนี้เนี่ยนะสิ่งที่ที่เราหวาดกลัวกันแล้วก็สกัดกันมาได้ตลอด12ปีมันก็เกิดขึ้นจนได้นะก็คือไฟไหม้ใหญ่มันไม่ได้ไหม้เฉพาะจากข้างนอกแต่มันไหม้จากข้างใน มีคนเข้าไปจุดนะไม่จากข้างนอกก็มีไม่จากข้างในก็มีนะไม่เดือนเมษาที่สองครั้งนะวันที่หนึ่งเมษากับสิเมษานะซึ่งแต่ละครั้งนี้ก็รุนแรงมากเพราะว่าอากาศเดือนเมษาปีนี้มันร้อนมากที่นี่ปกติเนี่ยไม่เคยมีไฟไหม้ฝากเดือนเมษานะพอถึงพอถึงเมษานี่ก็จะเรียกว่าฝนก็ตกละสงกรานนี่ก็มีน้า ใช้นะใช้สาดน้ำกันได้สบายนะบางปีก็ฝนฝนก็ตกลงมาตรงวันสงกรานนี่แหละนะต่ายปีนี้น้ําแห้งนะไม่มีน้ําจะสาดกันในวันสงกรานแต่กลับมีไฟขึ้นมาแทนนะแล้วไฟก็ไหม้ทั่งนี้เป็นประวัติการนะเท่าที่ประเมินก็ประมาณ2ในสาของพื้นที่ป่าเป็นอย่างน้อยนะก็คือ2องสาพันไร่พื้นที่ป่าในป่าชุมชนเนี่ยนะของภูหลงเนี่ยที่ชาวบ้านกับ วัดช่วยกันรักษาประมาณ30ประมาณสี่พันไร่นะนะ ไ, ไฟนี่ก็ไหมนะ้เสียหายมากนะแต่ก่อนเสียหายเป็นร้อยไร่แต่คราวนี้เสียหายเป็นพันไร่นะก็นับว่าเป็นประวัติการนะก็เลยต้องเริ่มมีการฟื้นฟู ป, ป่ากันใหม่ที่เคยมีปัญหาว่าจะหาพื้นที่ไหนปลูกป่าก็ไม่มีปัญหาแล้วเพราะว่ามีให้มีพื้นที่ให้ปลูกป่าได้ทั่วหมดเลยนะยกเว้นทิศตะวันออกทิศนี้ไม่ไมีไม่โดนไหม้แต่ที่เหลือเนี่ย ทุกทิศเลยโดนไฟไหม้ไปเรียบร้อยแลนะ้ก็มีต้นไม้จำนวนมากที่รอดตายหมายความว่าถูกไฟไหม้แล้วแต่ว่าก็ยังยังแทงยอดขึ้นมาได้แทงหน่อขึ้นมาได้แต่ว่าจํานวนมากก็ตายนะนั้นก็ต้องกลับมาฟื้นฟูกันใหม่นะเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่พวกเราชาวธนาคารอมสินเนี่ยเลือกพื้นที่ผูหลงเนี่ยมาเป็นพื้นที่ในการเป็ น, ป, นประโยชน์นะเพื่อเทื่อไทยองค์ราชัน แล้วก็ถวายเป็นพระจกกุศลแต่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนี่ยนะก็นับว่าเป็นเรื่องที่เป็นเกียรติแล้วก็ขอบคุณมากนะที่มาเลือกเอาที่นี่ทั้งๆ ท, ท, ที่ก็เป็นเป็นป่าพูนพูนไม่ใหญ่อะไรแล้วก็ไม่มีชื่อเสียงแถมยังเดินทางลำบากด้วยนะก็ให้ถือว่าเรามาทำบุญกันแล้วกันนะไม่เพียงแต่มาทำบุญกับพระด้วยการถวายสังฆทานนะ แต่มาช่วยกันฟื้นฟูป่าเป็นการทำบุญนะแล้วก็เป็นการตอบสนองสื่อทอดนะเจตนารลมหรือพระสมริของพระแบบสมเด็จระเจ้าอยู่หัวนะที่พระองค์ก็อุอทิศพระวรากายเนี่ยเพื่อประเทศชาติมาโดยตลอดนะเกือบ70พันษานะเกือบ70ดปีนะ อันนี้เราก็มาเจริญรอยตามพระองค์นะด้วยการทําสิ่งดีๆให้กับประเทศชาติแม้ว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยอาจจะดูเล็กน้อยนะแต่ว่ามันก็มีความหมายและต้องใช้ความเพียรพยายามกันนะเพราะว่าการปลูกป่าไม่ใช่เรื่องง่ายนะแค่เดินไปถึงถึงแปลงปลูกป่านี่ก็อาจจะเหนื่อยแล้วนะเพราะว่ามันลื่นนะฝนตกเมื่อวานหนักแล้วบางทีอาจเจอแดดเสร็จแล้วลองปลูกป่า เจแดดต่ตอนนี้แดดก็เริ่มจะมาแล้วนะเวลาเราเหนื่อยในการปลูกป่านะเหนื่อยนะในการเดินไปยังพื้นที่ป่าก็ขอยเราลึกนะถึงอ่าพระเจ้าอยู่หัวว่าพระองค์เนี่ยเคยเหนื่อยกับเรามาแล้วนะเหนื่อยกว่าเรามากนะความเหนื่อยของเราเนี่ยนะมันเทียบไม่ได้กับพระองค์เราจะเหนื่อยเพียงแค่วันชั่วโมงสองชั่วโมงนะ แต่พระองคนี่เหนื่อยมาเกือบ70ปีนะไอ้เวลาเรานึกถึงพระองค์เนี่ยนึกถึงคนที่เป็นแบบอย่างของเราเนี่ยมันจะทำให้ความเหนื่อยของเราเป็น เ, นเรื่องเล็กน้อยนะแล้วเรากลจะรู้สึกภูมิใจด้วยว่าเงื่อนะเงื่อทีอ่ออกมาจากร่างกายของเราเนี่ยมันเป็นเงื่อที่ออกมาจากการทําความดีนะเพื่อจเจริญรอยตามในหลวงนะ ในทางพุทธศาสนาเนี่ยนะก็ถือว่าน้ำน้ำมนต์เนี่ยนะมันก็ยังศักดิ์สิทธิ์ไม่เท่าดยดเหงื่อของเรานะหลายคนเนี่ยมาไว้ก็อยากจะได้น้ำมนต์นะแต่ที่จริงแล้วเนี่ยน้ำมนต์เนี่ยมันไม่ศักดิ์สิทธิ์เท่ากับหยดเหงื่อที่เกิดจากการทำความดีนะเพราะนั้นเนี่ยแทนที่เราจะมานั่งอยู่ในศาลาแล้วก็รอคอยน้ำมนต์นะจากหลวงพ่อจากเกจิอาจารย์เราออกไป นะอย่างพื้นที่โลกปลูกป่ปาทําความดีอันเนี้ยนะมันเป็นการทําบุญทำกุศลที่ประเสริฐมากนะให้เราภูมิใจนะเหงื่อที่เราออกมาถ้าเรานับเหงื่อได้นี่ก็น่าจะนับนะว่าเรามาปลูกปา่านับเหงื่อได้เท่าไหร่บางทีจะมีการแข่งกันว่าใครเหงื่อออกมากกว่ากันนะแต่ว่าเราไม่ต้องทำํำถึงขนาดนั้นนะเพราะเรื่องนี้ใครทําคนนั้นก็ได้นะอยากได้ อยากได้สลีมมงคลนะก็ปลูกต้นมาเยอะๆนะอย่า ก, กลัวแดดนะภูมิใจในเหงือ่อแต่ละโยชน์ที่ออกมาว่าเนี่ยเป็นมาเป็นเป็นเนหเงื่อที่มาจากน้าพักน้าแรงของเราเพื่อทําความดีและนั่นแหละนะสลีมมงคลจะบังเกิดขึ้นกับเราตอนนี้เนี่ยไอการปลูกป่าเนี่ยนะมันมีความสําคัญนะจะปลูกป่าที่ไหนก็แล้วแต่ไม่จำเป็นต้องปลูกที่นี่ก็ได้นะ พวกเรามาจากธนาคารอมสินนะจริงๆป่านี่ก็เป็นธนาคารกันนะเป็นธนาคารออมทรัพย์นะเราพวกเราธนาคารศมสินเนี่ยมาร่วมปลูก ป, ป่านะเราได้มาพบกับธนาคารอมทรัพย์นะป่าเนี่ยมันเป็นมันเต็มไปด้วยทรัพย์สมบัติอัตอมาไม่ได้พูดถึงเนื้อไม้ไม่ได้พูดถึงไม้สากไม้พยุงทรัพย์เนี่ย ในป่าเนี่ยมันมีเยอะมากนะและมันออกมาเรื่อยๆนะมันไม่หมดนะตราบใดที่เราดูแลรักษาไว้แรกท่านี้ยังหมดได้นะแต่ว่าทรัพย์ในป่าเนี่ยมันไม่หมดมง่ายๆเช่นน้ําอากาศไอ้พวกนี้เป็นทรัพย์อันประเสริฐนะเพราะว่าถ้าไม่มีน้ําอากาศเราก็อยู่ไม่ได้และป่านี่ยยังเต็มไปด้วยทรัพย์อย่างอื่นมากมาย ที่เราเราทรัพยากรนะไม่ใช่แร่ธาตุนะไม่ใช่เนื้อไม้เท่านั้นนะแต่อาหารที่เราเลี้ยงชีตเราก็มาจากป่านะและป่าเนี่ยมันไม่ใช่เพียงแค่ให้ปัจจัยสี่แต่ว่ายังสามารถจะให้อะไรอีก ต, ต้องหลายอย่าง ความหลากหลายทางชีวภาพนะอันนี้มีความสําคัญมากเพราะว่าวันนี้เราอาจจะยังไม่รู้ว่าใบาไม้เปือกไม้หรือว่าเนื้อเยื่อของต้นไม้บางชนิดเนี่ยมันมีประโยชน์อะไรแต่วันหน้าเร า, า จ, จะพบว่ามันสามารถรักษามะเร็งได้มันสามารถารักษาโรคหัวใจได้มันสามารถรักษาเชื้อบําบัดเชื้อ hiv ได้ ของดีๆเหล่านี้เนี่ยมันอยู่ในป่าอยู่ในธรรมชาติทั้งนั้นแหละเพียงแต่รอว่าเมื่อไหร่เราจะมีความรู้คอที่จะเอามันมาใช้ประโยชน์วันนี้ยังไม่มีความรู้อีก1้อปีเราจะอาจจะมีความรู้เอาไม้เอาเนื้อไม้เอาเซลล์เอายีนนะของต้นไม้ของมแมลงของดินมาใช้ประโยชน์ ในทางการแพทย์ในทางอุตสาหกรรมนะในทางวิศวกรรมนะไอ้พวกนี้แหละคือขุมทรัพย์นะที่มันสะสมอยู่ในป่านะแต่ตมาจึงเรียกว่าป่าเนี่ยมันเป็นธนาคารอมทรัพย์นะนั้นเราเนี่ยก็ต้องช่วยกันรักษาไว้นะช่วยและการรักษาคือการปลูกป่ารวมทั้งการรักษาป่าเช่นการป้องกันไม่ให้มีไฟป่า อย่างคราวนี้เนี่ยนะทางธนาคารกัมพูชิงก็มีน้ําใจนะอมอบทุนเพื่อสร้างถังเก็บน้ําหรือเพื่อซึกถังเก็บน้ําอันนี้ก็เพื่อใช้ในการตัดไฟป่าเราจะไปตั้งไว้บนหลังเขาตรงจุดตรงจุดที่มันเป็นจุดสําคัญแล้วก็หาน้ํายากนะก็ใช้เก็บน้ําฝนปอไฟป่ามาเราก็จะดับมันได้ง่ายคราวที่แล้วเนี่ยไฟมันแรงแต่ว่าน้ําน้อยนะ เพราะว่าพื้นที่หลายแห่งหลายจุดมันก็ไม่มีน้ําไปถึงยากจะสะพายใส่หลังไปก็เหนื่อยดับได้ไประเดี๋ยวเดียวก็หมดแล้วนะแต่ถ้าเรามีที่เก็บน้ําจะเป็นถังเก็บน้ําก็ดีจะเป็นบ่ อ, บอก็ดีเนะี่ยจะช่วยดับไฟแล้วก็รักษาป่าได้นะอันนี้กนะ็เป็นสิ่งที่จะช่วยรักษาธรรมชาติ ให้ยังเป็นธนาคารออมทรัพย์ได้ต่อไปครนนี้เนี่ยธรมอยากจะพูดเพิ่มเติมว่าป่าเนี่ยนะมันมีประโยชน์มากกว่า น, นั้นธรรมชาติเนี่ยมีประโยชน์ยิ่งกว่าที่ธรรมพูดมาเสียอีกไอ้ที่พูดมาเนี่ยเป็นประโยชน์ในทางวัตถุที่จับต้องได้แต่ประโยชน์แอบแฝงหรือประโยชน์ลึกซึ้งเนี่ยมันมียังมีมากอีกเช่นเพียงแค่เราเพียงแค่เราอยู่ ใกล้ๆกับป่าอยู่ใกล้ธรรมชาติเนี่ยสุขภาพเราก็จะดีขึ้นโดยไม่รู้ตัวเขามีการค้นพบว่าอย่างเช่นที่ประเทศฮอลแลนด์เนี่ยคนที่อยู่ในรัศมีหนึ่งกิโลเมตรรอบพื้นที่สีเขียวพื้นที่สีเขียวก็เช่นสวนสาธารณะป่าเนี่ยเขาพบว่ามีโรคหลายชนิดที่น้อยลงค น, เ, นเป็นโรคเหล่านี้น้อยลงเช่นโรคหัวใจ โรคเบาหวานโรคซึมเศร้าโรคไมเกรนความวิตกกังวลปแปลกนะแค่แค่อยู่ใกล้ๆธรรมชาติเนี่ยสุขภาพมันก็จะดีขึ้นโรค ก, ก็จะน้อยลงยังไม่ต้องไปวิ่งเลยนะยังไม่ต้องไปวิ่งจ็อกกิ้งยังไม่ต้องไปไปไปอยู่ท่ามกลางธรรมชาติเลยเลยนะแค่อยู่ ร, บรอบๆเนี่ยนะอันนี้เขากาลังศึกษา ว, ว่ามันเป็นเพราะอะไรนะ ส่วนหนก็าจเป็นเพราะว่าอากาศที่บริสุทธิ์อีกส่วนหนึ่งอาจจเป็นเพราะว่าคนเราเนี่ยมันมีความผูกพันกับป่ากับธรรมชาติถ้าได้เห็นธรรมชาติจิตใจสบายก็ระใจสบายและสุขภาพก็ดีขึ้นอันนี้เขาสังเกตจากคนป่วยเนี่ยที่ผ่าตัดใหญ่เนี่ยขณะที่พักฟื้นเนี่ยนะในโรงพยาบาลถ้าเกิดว่าอยู่ในห้องซึ่งมีหน้าต่างมองเห็นธรรมชาติมองเห็นต้นไม้มองเห็นเมฆจะฟื้นตัวได้เร็วกว่าคนที่อยู่ในห้องซึ่งทึบสีด้าน นะแต่ว่าแม้จะทุบสีด้านแต่ถ้ามีภาพธรรมชาตินะภาพน้ำตกนะตาการฟื้นตัวก็จะดีขึ้นนะใช้ยาน้อยลงนะมันแสดงว่าแสดงว่าร่างกายและจิตใจของเรามาผูกพันกับธรรมชาตินะนะเพียงแค่ได้เห็นเนี่ยนะเห็นไกลๆทางหน้าต่างหรือว่าเห็นเป็นภาพเราก็รู้สึก ด, ดีขึ้น นักโทษเนี่ยถ้าเกิดว่าอยู่ในเรือนจําซึ่งมันไม่มีช่องทางได้เห็นธรรมชาติเลยเนี่ยมักจะมีเหตุจลาจลเยอะนะแต่ถ้ามีโอกาสได้เห็นธรรมชาติเห็นเมฆเห็นต้นไม้เนี่ยให้เรื่องจลาจล น, นะในในคุกก็น้อยลงอันนี้ก็น่าคิดนะว่าสํานักงานเนี่ยถ้าสํานักงานเนี่ยนะมันมีที่ที่ให้เราได้เห็นธรรมชาตินะหรือว่าถ้าไม่มีหน้าต่างที่จะเห็นธรรมชาติก็ผูกต้นไม้ตามจุดต่างๆ มีต้นไม้อยู่บนโต๊ ะ, ะก็อาจจช่วยทําให้มีความเครียดน้อยลงนะจิตใจสบายการทะเลาะเบาแย้งกันความผัดแย้งกันในสำนัก ง, งานก็อาจจะน้อยลงก็ได้อันนี้มันเป็นนะเป็นเครื่องชี้ว่าธรรมชาติเนี่ยมันมีความหมายต่อร่างกายจิตใจของเราในส่วนของจิตใจเนี่ยนะธรรมชาติเนี่ยมีความหมายมากนะอันนี้เคยบอกว่าทำไมพระเจ้าเนี่ยนะ จึงแนะนำให้พระไปอยู่ป่าหรือว่าถ้าอยู่ถ้าอยู่ในเมืองอยู่ในบ้านก็ให้จาริกไปเข้าไปในป่าเรียกว่าทุดงนะเพราะว่าการจาริกในป่ากาันในป่าทำให้จิตใจสงบจิตใจไม่ใช่แค่สงบอย่างเดียวนะจะทำให้จิตใจสว่างด้วยสว่างด้วยธรรมะเพราะว่าเมื่อใจสงบก็จะได้คิจรรณาธรรม พระเจ้าเนี่ยตัดสรู้เนี่ยนะก็เพราะว่าพราะองค์เนี่ยอยู่ท่ามกลางธรรมชาติที่งดงามไม่ใช่เป็นความบังเอิญนะพระองค์เลือกพระองค์ไปที่ตําบลอุรุเวลาเสนานิคมริมแม่น้าในแดนฉล า, ลาเห็นธรรมชาติร่มรื่นมากนะเขาเรียกว่าเป็นลมมณีสถานนะเมื่อ 2,200 ปีนัไม่ใช่เดี๋ยวนี้นสมัยเดี๋ยว น, นี้ถ้าไปตรงจุดนั้นเนี่ยมันธรรมชาติมันเปลี่ยนไปเยอะแล้ว นะแม่น้ําก็ตื้นเขินต้นไม้ก็หายไปหมดละแต่สมัยนั้นเนี่ยตอนที่วันที่พระเจ้าเนี่ยสเสด็จไปเนี่ยคงเลือกว่าจุดนี้เป็นจุดที่เป็นลมมณียะลมรื่นก็เลย เ, เลือกต้นไม้อยู่ต้นหนึ่งแล้วก็ประทับใต้ต้นไม้นั้นแล้วก็พิจารณาธรรมแล้วคืนนั้นเองก็บรรลุธรรมตัดสรุปรสมมาสมพุติเจ้า ส, สมมาสัมพุติเจ้า ได้เข้าถึงสัมมาสัมพุทธิยานนะจึงตัดสรุปเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอันนี้เพราะว่าอาศัยธรรมชาติเป็นเครื่องช่วยแลวพวกเราเนี่ยนะาหากว่าเราได้มีโอกาสมาอาศัยธรรมชาติเป็นเครื่องเป็นสถานที่ในการสุดจิตสุดใจบาเพ็ญภาวนา จิตใจเราก็จะงดงามความเครียดเราก็จะน้อยลงเราสามารถจะอาศัยธรรมชาติเป็นครูได้พือาจารย์พุทธทาสเนี่ยเคยกล่าวแนะนำคนที่ไปเยือนสวนโมกนะว่าให้ไปฟังเสียงต้นไม้พูดไปฟังเสียง ก้อนหินสอนทรรมต้นไม้ก็ดีก้อนก้อนหินก็ดีที่สอน ร, รมกับเราได้อย่างต้นไม้เนี่ยนะจริงๆดีๆนะสอนทรรมให้กับเรานะต้นไม้เนี่ยจะไม่เป็นเพียงแค่ฝ่ายรับต้นไม้เนี่ยตอนยังเป็นต้นกล้าก็อาจจะรับปุ๋ยจากดินคอยน้าจากฟ้าแต่พอต้นไม้โตขึ้นโตขึ้น ก็จะเริ่มทิ้งกิ่งทิ้งใบเพื่อกับคืนไปเป็นปุ๋ยให้กับดินคายน้ำคืนสู่ฟ้านีคนเราเนี่ยถ้าเราเจอรอยตามต้นไม้นะถือไม่ใช่เป็นผู้รับแต่เป็นผู้ให้ด้วยโลกก็จะเจริญและเราเองก็มีความสุขเพราะถ้าเราให้มากเท่าไหร่เราก็มีความสุขง่ายอย่างพูดเจ้าตรัว่าผู้ให้ความสุขย่อมได้รับความสุข ลองดูดีๆนะต้นไม้นี่ก็ให้ประโยชน์กับเราหลายอย่างทั้งทางโลกและทางธรรมทั้งทางวัตถุและทางจิตใจให้ทำมา ก, กับเราต้นไม้เนี่ยนะเจอแดดที่ไม่กลัวนะแถมเปลี่ยนแดให้กลาเป็นเงาเป็นร่มเงาที่เย็นมันตายว่าอะไรมันให้บทเรียนอะไรกับมนุษย์มันให้บทเรียนว่าคนเราเนี่ยไม่กลัวความลําบาก แล้วควรจะสามารถเปลี่ยนความลำบากให้กลายเป็นความสุขได้เปลี่ยนปัญหานะให้กลายเป็นปัญญาได้อันนี้พผู้ยอดตัดตัวเองนะว่าผู้มีปัญญาแม้ประสบทุกข์ก็ยังหาสุขพบนะความสุขมันก็อยู่ท่ามกลางความทุกข์นั่นแหละและที่จริงความสุขก็เกิดจากการที่เรารู้จักเปลี่ยนทุกข์นะต้นไม้เนี่ยเราทิ้งขยะ ทิ้งสิ่งปฏิกูลทิ้งอุจจาะปัสสาวะลงไปใต้โคนไม้เนี่ยต้นไม้เปลี่ยนเป็นอะไรเปลี่ยนเป็นดอกไม้ดอกไม้ผลไม้ที่ดอกไม้ที่สวยงามผลไม้ที่หอ ม, ห, อมหวานอร่อยเนี่ยถามว่ามาจากไหน่แต ป, ประเทศจีนเนี่ยที่เรากินแอปเปิ้ลอร่อยอร่อยจากประเทศจีนเนี่ยนะเรารู้หรือเปล่าว่าเขาใช้อะไรเป็นปุ๋ย อร่อยไหมอร่อยนะเพราะเขาก็ใช้อุจจาระคนนั่นแหละแต่ต้นไม้นี่นะสามารถจะเปลี่ยนสิ่งปฏิคูลให้กลายเป็นขอ ง, ข อ, งอร่อยหวานหอมนะดอกบัวเนี่ยถ้าไม่มีโคลนนะดอกก็ไม่งานนะท่านติดนัดทานเป็นพระชาวเวียดนามท่านเป็นกวีด้วยลูกศิษย์ลูกหาในเมืองไทยเยอะเยอะท่านเขียนว่าเขียคลิป เ, เขียนข้อความ นะด้วยผู้กันนะคล้ายๆกับภาพนี้นะแต่ว่าท่านเขียน ว, ว่าโนมัตโนโลตัสไม่มีโครนก็ไม่มีดอกบัวนะดอกบัวเป็นอุปมาอุปไมเป็นสัญญ์หมายถึงการตัดสรูส่วนโครนหมายถึงอะไรความทุกข์การตัดสรูเกิดขึ้นได้เมื่อมีความทุกข์ คนฉลาดเนี่ยเปลี่ยนทุกข์ให้กลายเป็นสุขเปลี่ยนทุกข์ให้กลายเป็นกัญญาเนี่ยเราเนี่ยถ้าเราเพียนแค่เอาต้นไม้เป็นบทเรียนนะเอาดอกบัวเป็นบทเรียนเนี่ยเราเจอทุกข์เราไม่กลัวเราเจออุปสรรคเราไม่กลัวนะเจอความล้มเหลวเราก็เปลี่ยนให้กลายเป็นประสบการณ์และและความฉลาดคนเราจะฉลาดได้เนี่ยเพราะรู้จักเปลี่ยน อุปรสรรคความล้มเหลวให้เป็นประโยชน์คนเราพอเจอทุกข์แล้วเนี่ยนะต้องรู้จักเปลี่ยนทุกข์ให้กลายเป็นสุขนะคนที่ทำานี้ได้เนี่ยหลายคนเขาบอกว่าโชคดีที่เป็นมะเร็งขอบคุณที่เป็นมะเร็งเพราะมะเร็งทำให้เขาได้เห็นธรรมะทำให้เขาได้มารู้ค้นพบความสุขที่ประเสริฐเพราะว่ามะเร็งมันทำให้เขามาสนใจธรรมะนะและเมื่อสนใจธรรมะก็พบกับควารรมสุขที่แท้ เพราะฉะนั้นเนี่ยน ะ, ะก็ขอให้เราเนี่ยนะน้อมใจและลึกถึงคุณประโยชน์ของธรรมชาติเอาไว้แล้วก็รู้สึกภาคภูมิใจที่เราได้วันนี้เราได้มาตอบแทนบุญคุณของธรรมชาตินอกเหนือจากการมาทำความดีเพื่อไทยองค์ราชาถวายเป็นพระรศรีสุนลแดกพระบบสมเด็กกจพระเจ้าอยู่หัวและวยังถือเป็นการสื่อต่อศาสนาด้วยนะสื่อต่อพุทธศาสนา ทำอย่างเยอะนี่ได้หลายอย่างนะนะเทิดไทอุ์ราชันสืบต่อศาสนาแล้วก็ช่วยอนุรักษ์ระบบนิเวศ ธ, ธรรมชาตินะให้เจริญงอกงามแล้วก็ยังได้ประโยชน์ตนด้วยนะน้ำเงือ่อน้ำเงื่อนที่ออกมาก็เป็นน้ํามนต์นะที่ลดหลังให้เราประสบความสุขความเจริญแล้วก็เร า, าจะได้ธรรมะจากธรรมชาติเหล่านี้ด้วย อาตมาเห็นข้อความที่คําขวัญที่ติดอยู่ในเสื้อผ้างเรา Strong Trader แปลว่าเข้มแข็งไปด้วยกันคงไม่ได้หมายความว่าเข้มแข็งเฉพาะระหว่างไม่ใช่หมายความว่าธนาคารออมสินก็เข้มแข็งลูกค้าก็เข้มแข็งเติบโตหรือว่าสังคมไทยก็เติบโตไปพร้อมๆกับธนาคารออมสินแต่ว่า Strong Trader น่าจะมีความหมาไปถึงว่า มนุษย์เราก็เจริญเติบโตไปด้วยธรรมชาติก็เจริญเติบโตไปพร้อมกัน ม, นมนุษย์ธมนุษย์เราเนี่ยคิดว่าเนี่ยธรรมชาติก็ดีกับมนุษย์ต้องเติบโตต้องเจริญไปพร้อมกันเนี่ยนะเราก็จะมีความสุขความเจริญที่ยั่งยืนแต่ถ้าเราคิดแต่ว่าฉันขอเติบโตแต่ธรรมชาติกับทุดโทรมนะไอ้ความเจริญของงานก็คงจะไม่ยั่งยืนเพราะนั้นก็ขอฝากไว้นะให้ช่วยแม้ว่าเราจะ เสร็จจาภารกิจนี้แล้วนะก็ขอให้เราช่วยกันนะถือเป็นภารกิจในการที่จะรักษาธรรมชาตินะให้เจริญงอกงามไม่ว่าที่บ้านของเราชุมช น, นของเรานะแล้วก็คิดว่าอันนี้ก็คงเป็นภารกิจนะของธนาคารควมเสีนนะ่ยงที่จ ะ, ะทําให้เกิดความเจริญงอกงามเกิดความสมบูรณ์ของระบบนิเวศนะสืบต่อไปนะที่สุดนี้ก็ข อ, อขอบคุณ ธนาคารออมสินนะที่ได้เลือกเอาพระตามมหาวัดรัภูลงเป็นสถานที่ในการทำความดีบาเพ็ญประโยชน์ให้กับพระเจ้าอยู่หัวของเรานะแล้วก็ได้ใช้โอกาสนี้เนี่ยในการทำประโยชน์ให้กับนักเรียนแล้วก็ชาวบ้านซึ่งก็ถือว่าเป็นบุญที่มีนิสงมากผู้เจ้าจัดว่าเนี่ยผู้ใดสร้างสวนปู่ป่า บุญของผู้นั้นย่อมจเจริญอยู่ทุกเมื่อเช้าวัน น, นอกจากการสร้างโบสถ์สร้างศาลาและการปลูก ป, ป่าก็เป็นประโยชน์ที่เป็นบุญกุศลที่เราควรจะบำเพ็ญอย่างต่อเนื่องก็ขอให้อันิี่สอแห่งบุญกุศล น, น, นั้นได้อํานวยอวยพรให้ทุกท่านได้จเจริญด้วยอายุวันณาสุขขาภละเพื่อเป็นพระบัจจัยในการทําความดีงามให้ถึงพร้อมด้วยทานศีลภาวนาให้ประสบความอยู่เย็นเป็นสุขปลอดภัยไกลทุกประสบความสำเร็จในการงาน มีความสุขกเกษมสารในการดำเนินชีวิตและสามารถที่จะเข้าถึงความสุขอันกเกษมที่นี่ขึ้นไปอันได้แก่พระนิพพานในอนาคตการด้วยเทิน